ข้อที่สเรื่องปรากฏในปรวรณาสูตรสังยุตตนิยสขาทถวั์พระไตรปิฎกเล่ม15ห้าเล่าว่าในวันปรวรณาคือวัน 95. ขึ้น15บ้าคำเดือน11อคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณบุพพารามซึ่งหนังวิสาขาสร้างถวายใกล้กรุงสาวัตถีมีพระอระหันตสาวกจำนวนประมาณห0 0รูปร่วมประชุมอยู่ด้วย ตามประเพณีทั้งพระวินัยเมื่อถึงวันปวารณาภิกษุทุกรูปที่นั่งประชุมในพิธีกรรมจะต้องกล่าววาจาอนุญาตให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนได้โดยถือว่าการว่ากล่าวตักเตือนกันนั้นเป็นทางทำให้เกิดความเจริญขณะที่ประชุมกันอยู่นักกลางแจ้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงปรวารณาคืออนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายทักท้วงการกระทำทางกายและวาจาของพระองค์ได้ พระสาวรีบุตรได้ลุกขึ้นประคองอัญเชลีกราบทูลสรรเสริญพระพุทธเจ้ากล่าวว่าท่านไม่มีที่ติเตียนพระพุทธเจ้าและจึงเป่ารณาตนเป็นรูปที่สองเรื่องนี้คล้ายกับลีลับไม่ค่อยมีใครกล่าวถึงแต่รู้สึกว่าเป็นแบบฉบับอันดีเลิศแม้ว่าพระพุทธเจ้าเองก็ทรงถือธรรมเป็นใหญ่ถึงกระเปิดโอกาสให้พระสาวกว่ากล่าวตักเตือนได้เป็นตัวอย่างแห่งธรรมมาธิปไตยอันดียิ่ง ในพระพุทธศาสนา